กายปรุงแต่งจิตตอนใกล้หลับกายงอกง่วงพร้อมจะแพ้ความง่วงจิตพร้อมจะคิดอ่อนข้อกับทุกสิ่งครึ่งหลับครึ่งตื่นกายสลึมสลือในหัวคล้ายมีเสียงกระซิบกระซาบจิตพร้อมจะคิดเหลวไหลไปทุกเรื่องตอนลืมตาตื่นกายกระปรีก้กระเป๋าพร้อมจะเอาชนะการนอนอ้อยอิง จิตพร้อมจะคิดงัดข้อกับทุกปัญหาจิตอ่อนแอให้แก้ที่กายก่อนปัญหาของอนัตตาในยุคเราคือวันๆผู้คนจนวนมากมีสภาพร่างกายหมดใกล้หลับมากกว่าจะสดชื่นตื่นเต็มแล้วก็หลงเชื่อทุกสิ่งที่ตัวตนใกล้หลับนั้นร่ำบอกหรือสั่งการ บางคนก็โดนสั่งให้ไม่ลุกไปเรียนดือ้อๆบางคนก็โดนสั่งให้หุนหันลาออกจากงานบางคนก็โดนสั่งให้โดดตึกเสยรูแลาู้รอดเทียบร่างกายใกล้หลับกับร่างกายเพิ่งตื่นคนทั่วไปจะมองว่าเป็นชั้นตัวเดิมในภาวะพร้อมกับไม่พร้อมเผชิญโลกแต่ผู้มีสมาธิจะได้บทฝึกรู้ว่า ร่างกายและจิตใจแสดงความไม่ใช่ตัวเดิมให้ดูชัดๆแล้วเป็นอนัตตาแบบไร้ข้อกังขาเห็นเห็นแล้วตอนง่วงเป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าเหลวไหลตอนตื่นเป็นอีกตัวที่คิดสมเหตุสมผลภาวะทางรูปเป็นไปตามเหตุปัจจัยภาวะภายในไม่เป็นไปตามบัญชา จะหาอะไรมาอ้างยิงว่าเป็นตัวของตนได้ักขณะเห็นการเห็นนั้นคือนักขณะจิตที่ว่างจะอุปาทานในตัวตนเห็นอนัตตาด้วยความเป็นอนัตตาอย่างแจ่มกระจ่างเพื่อจัดการกับอนัตตาให้อยู่ในภาวะน่าเชื่อถือได้เรื่อยๆคุณต้องเชื่อหลักฐานที่เห็นเห็นอยู่ว่าเชื่อได้เช่น ถ้าเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นจิตใจเข้มแข็งขึ้นก็ต้องเล่นกีฬามากๆออกกำลังกายมากๆถ้าเล่นโยคะแล้วร่างกายยืดยุ่นไม่ยึดไม่ตึงไม่หนักหัวก็ให้เล่นโยคะมากๆยืดเส้นยืดสายให้หายหนักมากๆอย่าไปเชื่อเสียงสั่งในหัว ตอนร่างกายอ่อนแอรกระปวกระเปียกประเภทฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่มีบุญเหมือนคนอื่นหรอกฉันเกิดมาเพื่อเป็นไอคีแพ้เพื่อเป็นอิจิตอ่อนเท่า น, นั้นแหละตอนจิตใจอ่อนแอถ้าไม่ปรับแก้ที่ร่างกายก่อนตัวตนที่เข้มแข็งอาจไม่ปรากฏให้เห็นเลยไม่มีทางรู้เลยว่าคุณเองมีอีกตัวที่เข้มแข็งขึ้นได้